บอกว่ามิถานี้เป็นสภาพเกียรติคร้างทางกายกายก็คือเจตสิกทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีความอ ง, งาอาจมีความคับแค้นเป็นสภาวะเป็นไปบ่อยๆนะครับคือง่อยเลยนะครับซึมเซือซึมเลือเสื่องซึมหดหูท่อแท้นะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับพวกนี้แหละครับลักษณะของถีนามิธะครอบงำแล้วนะครับหรือข้าวกาลังเรียนเม็ดใช่านะครับ บอกว่ า, วาโหเลือดมันไปคั่งอยู่ที่กระเพาะมากนะครับไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองมก็เลยเสื่อมซึมไปหมดหรือเปล่าครับจริงไม่ใช่หรอกครับเพราะมันอยู่ที่ <c oughs> ปล่อยจิตปล่อยใจไปตัเองนะครับมันเดินจงกรมก็ช่วยไปเยอะนะครับความเพียรทางกายก็พอช่วยไปเยอะและ้วชื่อว่าไม่มีฮิริเพราะไม่มีฮิริอันมีลักษณะเกลียดความชั่วไม่รังเคยรังเกียจเลยนะครับไม่เคยรังเกเยีเยจความชั่วทางกายไม่เคยรังเกียจความชั่วทางวาจามไม่รังเกียจความคิดชั่วทาง ทางใจเนี่ยนะครับนั้นเราไม่มีหิริเพราะประกอบด้วยความไม่มีหิริอันเป็นปฏิปักษ์ต่อหิรินั้นคือหมายคขาว่าคิดดูนะครับว่าเอ้ al, น่นี่ถ้าเรามีความชั่วทางกายถามว่าไอ้นี่มันน่ารังเกยียจขนาดไหนเนี่ยนะความชั่วที่มีในทางกายเนี่ยนะหรือถ้าวาจาชั่วเอ้่มันน่ารังเกยียจขนาดไหนถ้าความคิดชั่วนี่มันน่ารังเกยียจขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วก็ลองคิดดูนะหมาถ้าหากว่าเาเรียกว่าขี้ตานี่มันไหลเคลือบทางตาเนี่ยดูน่ารังเกียจนะ หน้ารังเกียจนะหน้าละอายเป็นอย่างยิ่งน้ํามูกไหลคือคลาดคือคลาดน้ําลายไหลยืดเนี่นะครับเนี่ยนะหรือว่าเสื้อผ้า ส, สกรปรกมอมแมมเนี่ยนะถ้าโดยไอสิ่งปฏิกูลแบบนี้ทั่วๆไปแล้วนะคนธรรมดาทั่วทวไปก็จักละอายใช่ไหมครับแต่ว่าไอความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าละอายกว่านั้นนะครับเพราะว่าต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายอย่างอื่นๆแต่ถ้าหากว่าไม่มีก็เรียกว่าขาดฮิรินะครับ เชื่อว่าไม่เอื้อเฟื้อเพราะไม่มีความเอื้อเฟื้อในการปฏิบัติชอบเพราะไม่มีฮิริโอตาปะและวิริยะนะครับคือไม่เอื้อเฟื้อหมายความว่าไม่เจริญฮิริและโอตาปะฮิริโอตาปะนั้นบ่งถึงอะไรครับบ่งถึงสีครับสีและสัมปทานะครับความถึงพร้อมด้วยศีนะฮะฮิริโอตปาปะก็คือบทก่อนก็ขยายว่าโอตาปีหรืออฮิริโอตาปะซึ่งเป็นเหตุใกล้ของศีหรือศีลสัมปทานนั่นเองวิริยะเป็นชื่อของ สมถวิปัสสนานครับคือเพียงไปในสมถะและวิปัสสนานแต่ถ้าขาดพวกนี้เรียกว่าไม่มีฮิเรอุตปะขาดความเอือ้อเฟื้ออันนึงชื่อว่าไม่เอื้อเฟื้อเพราะไม่กระทํากิริยา2 อ, อย่างคือไม่กระทําโอต ป, ปีและอาตาปีเนี่ยนะครับโดยธรรมะและบุคคลแม้โดยไม่มีฮิเรและโอตปะทั้งสองอย่างนั้นนะครับทิ้งสมทิ้งศีลสมถะวิปัสสนาอะไรไปหมดนะครับ บทว่าผู้ถุงได้แก่เพื่อถูกต้องบทว่าสัมโพทิมุตตะมังความว่าไม่ควรเพื่อบรรลุอรหัตผลอันสูงสุดกล่าวคือสัมโพธิญาณ น, นะครับปาหัตเนี่ยนะครับสูงสุดแล้วนะครับถ้าหากว่าปล่อยกายปล่อยใจไปลักษณะนี้ก็ไม่คู่ควรกับการบรรลุนั่นเองบทว่าสติมาได้แก่มีสติโดยประกอบด้วยสติประฐานสี่นะครับ พร้อมกับมีความจําดีเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนะสติเนี่ยอธิบายในลักษณะของความจํานะครับจํายังไงครับคือสา ม, มารถระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดไว้นานแล้วได้มีลักษณะของสตินะครับแล้วขออ่านกันครับตรงนี้สติประฐาน4ี่กับความจําเนี่ยมันคนละอันกันไหนคนละอย่างกันนะอ่าคือถ้าหากว่ามีความจําดีสา ม, มารถระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดไว้ได้นานลักษณะนี้แล้วนะครับจึงจักเจริญสติประธานได้ ถ้าหากว่าคนที่ระลึกอะไรไม่ได้เลยก็จเจริญสติปัฏฐานไม่ได้นะครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าคนที่ระลึกอะไรไม่ได้แล้วจะตรวจสอบความสะอาดความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจได้ไหมครับ <f ix> ก็ไม่ได้เพราะว่าสุจริสามเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่อันถ้าหาว่าคนที่ตรวจสอบพฤติกรรมคําพูดของตัวเองไม่ได้ก็แสดงว่าระลึกถึงคําอะไรไม่ได้เลยระลึกถึงศีลอะไรไม่ได้เลยถ้าระลึกถึงกุศลศีลเป็นต้นอะไรไม่ได้เลยก็ยากที่จักเจริญ สติปัญฐานตามแนวพระไตรปิฎกได้นะครับอนนคือสติปัญญานแบบเขาสอนการอาจจะเจริญได้นะครับคือที่ที่เขาบัญญัติกันขึ้นะนะแต่สติปัญญานในพระไตรปิฎกนี้ผมว่าไม่ใช่ฐานะเพราะพระองค์ตรัสในกุลดรรยะสูตรเลยนะครับว่าอินทรียสังวรนี่นะครับทำให้สุดจิต3าบริบูรณ์การเจริญอินทรียสังวรเนี่ยนะครับเพื่อยังสุดจิต3ามให้เกิดขึ้นนะครับอันการเจริญสุดจิต3ามเพื่ อ, อยัง สติประทานให้เกิดขึ้นการเจริญสติประทานก็เพื่อ ย, ยังโพชฌงเป็นต้นให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าละลึกอะไรไม่ได้เลยระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดไม่ได้เลยแล้วตรวจสอบศีลได้ยังไงครับเนี่ยนะตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองได้ยังไงตรวจศีลก็ไม่ได้ตรวจถ้อยคําและคําพูดก็ไม่ได้ถ้าตรวจไม่ได้ก็จบกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําไงครับก็ฟังเอาบุญอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าระลึกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็ประคับประคองจิตให้เป็นไปกับ ปฏิรูปประเทศการคบสัตว์บุรุษการฟังทำไปนะครับแล้วก็ค่อยหัดฝึกคิดตั้งแต่ใหม่ๆเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าไม่งั้นไม่มีข้อปฏิบัติอื่นจริงๆนะครับถ้าจะแสดงตามแนวพระตายปิฎ ก, ก น, นะไ อ, อความจาดีนี่ความจำดีสามารถระลึกสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้ได้นี่เปนค็ละอย่างกับสติประธานสติใช่อ่านี่เป็นฐานของสติประธานสคือคาว่าสติเนี่ยนะครับเป็นกว้างเป็นคาที่กว้างอ่ะนะ คำว่สติเนี่ยนะเป็นคําที่กว้างมากคือสติเป็นไปกับศีลก็มีนะครับคือเป็นเช่นสติที่เป็นไปกับจตุ ป, ปาริสุทิศินี่นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นสติเหมือนกันแต่ทีนี้สติปทานก็คือสติที่เป็นไปกับการปรารบกายเวทนาจิตและธรรมะนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของการเจริญสติปฐานตามสติปฐานสูตรนะนะครประกอบด้วย อ, อะไรบ้างครับอาตาปีสัมปชานโนและสติมา องของการปฏิบัติมี3ามคำนะครับแล้วก็วินัยยะนี้เป็นชื่อของสมาธินะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัตินั้นจะต้องประกอบด้วยศรัทธาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่มีศรัทธาทำให้ศีลบริบูรณ์แล้วก็ยังมีวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องเกื้อหนุนเกื้อกูลในการปฏิบัตินะครับผมว่ามันน่าจะเป็นสติตัวเดียวกันนะสติปฐานฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติอย่างนี้ครับคือ สติสติเนี่ยโดยโดยโดยสับเนี่ยมันจะต้องหมายถึงอันเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าหาว่าอาสติไปตั้งไว้ในฐานทั้ง4ี่คือกายเวทนาจิตธรรมอันั้นคือการเจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสสนานะครับคือโดยศับนะครับโดยศัพท์คําว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะสับว่าสติปัฏฐานมี3าความหมายนะครับสติปัฏฐานศับเนี่นะครับความหมายหนึ่งนี่หมายความว่าอารมณ์ของสติ นะครับคือกายเวทนาจิตธรรมนะครับเป็นชื่อเขาเรียกว่าสติปัฏฐานเหมือนกันเพราะควรไปตั้งไว้ในที่นี้อีกสท์หนึ่งคือสติปัฏฐานหมายคำว่าตัวสตินะครับตัวสติก็เรียกสติปัฏฐานเพราะว่าไอตัวสติอันนี้เนี่ยนะครับมีอานาปนานสติเป็นเหตุใกล้อย่างหนึ่งนะครับหรือว่ามีสุจริสามเป็นเหตุใกล้นะครับมีสองในเพราะฉะนั้นตัวสติอันนี้เนี่ยนะครับที่เจริญแล้วก็ยังโพชฌงเจ็ดให้ ให้บริบูรณ์เนี่ยนะอันนี้คเครียกว่าตัวสติส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักการตั้งสติที่พระพุทธเจ้าเวลาสอนสาวกกันนะเพราะฉะนั้นในยะที่สามไม่กล่าวถึงเขากล่าวถึงก็เพราะตัวสติกับอารมณ์ของสติเฮ้ตัวสตินี่นะครับมีอะไรเป็นอาหารมีอะไรเป็นปัจจัยและสติอันนี้เนี่ยเมื่อเจริญแล้วเนี่ยนะครับย่อมยังธรรมะอะไรให้บริบูรณ์นี่ก็ต้องรู้นะครับคือต้องรู้ว่าเออสติประทานเนี่ยนะ ตัวสติปทานเนี่ยมีอาหารคืออน า, าปานาสตินี่อย่างหนึ่งเป็นอาหารตามอน า, าปานาสติสูตรนี่นะครับหรือสติปทานก็มีสุจรศสามเป็นอาหารตามอาวิชชาสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือตามกุณฑลิยะสูตรเนี่ยก็ต้องมีสุจรศสามเป็นอาหารทีนี้ถ้าสติปทานเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเจริญแล้วย่อมยังอะไรให้บริบูรณ์ก็ยังโพชฌงเจตให้บริบูรณ์ถ้าโพชฌงเจตก็ยัง วิชาและเวมุิให้บริบูรณ์อันนี้คือตัวสติสติประธานอีกอย่างหนึ่งหมายถึงอารมณ์ของสติได้แก่กายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ากายเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นความดับนะครับเวทนามีอะไรเป็นเหตุเกิดสัญญาหรือว่า ธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะครับตัวธรรมะเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดตัวจิตมีอะไรเป็นเหตุเกิดเนี่ยนะครับสรุปก็คือกายมีอะไรเป็นเหตุเกิดเวทนามีอะไรเป็นเหตุเกิดจิตมีอะไรเป็นเหตุเกิดธรรมะมีอะไรเป็นเหตุเกิดเพราะพระองค์ตรัสว่ากายนี่ก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดของกายก็คืออาหารนะเวทนาก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดของเวทนาได้แก่ผัสสะเนี่ยนะครับจิตก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดของจิตได้แก่นามกับรูปธรรมะก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดของธรรมะได้แก่ มนสิการเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ไอ้ท่สติปัฏฐานที่ได้แก่ตัวอารมณ์ก็ต้องวินิจฉัยเหตุเกิดและความดับหมดเลี่ยงเลยนะครับว่าเคยมีเหตุเกิดมีความดับอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วต้องเข้าไปวิจัยในลักษณะไหนไอ้ตัวสติปัฏฐานที่เข้าไปตั้งในฐานอนั้นเนี่ยนะเข้าไปตั้งวิจัยแบบไหนแล้วถ้าวิจัยแล้วรู้อะไรของเขาบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้พระองค์แสดงไว้อย่างละเอียดหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเออนี่ สีก็พอละหรือว่าเสียงก็พอละเนี่ยเลือระลึกรู้แล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับกุโซลสีนก็ยังสอบไม่ผ่านอย่างที่ว่าไปอย่างยกตัวอย่างนะท่านเห็นสีจีวอนเออนี่สีเฉยๆเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะเชื่อไหมครับว่ากุโซลศีท่านยังรักษาไม่ได้เลยถ้าท่านรู้แค่นั้นนะถ้ารู้แค่นั้นรักษาสีไม่ได้เพราะอะไรจึงว่ารักษาไม่ได้เพราะว่าจีวอเนี่ยท่านใดโดนมาถูกทํำไหมตรวจสอบได้ไหมล่ะอย่างหนึ่งนะครับ สองมีอินทรียสังวรถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะไหมอย่างไรชื่อว่าถือโดยนิมิตอย่างไรชื่อว่าโดยอนุพยัญชนะนะครับหรือว่าเมื่อเหนจีวรแนะปัจเจกไหมครับนั่นเหมือนที่อยู่อาศัยเนี่ยเห็นเนี่ยปัจเจกไหมต่อไปแล้วก็อาชีวะปัจจัย4เหล่านี้ได้มาโดยชอบทำไหมเพราะฉะนั้นแม่แต่กุศลชั้นศีลก็วิจัยอย่างละเอียดแล้วนะครับระดับหนึ่งแล้วถ้าสมถะไร เออนนะเนี่ยนะสมถะเนี่ยกายนี้เป็นของปฏิกูลนะจีวรเป็นต้นที่มันนุ่งมาห่มเนี่ยโอ้ทําให้ปฏิกูลนาฏเปลียดไปหมดเลยเป็นต้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของสมถะก็ต้องวินิจฉัยอย่างละเอียดส่วนสติปัญญานที่ปราระว่า น, นี้เป็นกายกายก็เป็นชื่อของรูปปัจขันธ์ทีนี้รูปปัจขันธ์ก็ต้องวิจัยว่าประกอบไปด้วยรูปอะไรบ้างนะครับมีภูตรูปและอุปาทายรูปและภูตรูปและอุปาทายรูปนั้นนะครับก็มาวิจัยโดยสมุทฐานอีก นะครับแม้มีกรรมเป็นสมุทฐานหรือว่ามีจิตมีอุตุมีอาหารเป็นสมุทฐานเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องวิจัยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นงานวิจัยที่ใคร่ครวญมากจึงคู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลนะครับจึงคู่ควรแก่การตรัสรู้จึงเรียกว่าคนรู้ไม่งั้นก็เจริญแต่อวิชายอย่างเดียวนะครับก็ไม่ไม่รู้อะไรเจริญแล้วจบเมื่ อ, อไรบรรลุที่ไหนบรรลุอย่างไรทําไมจึงบรรลุ แล้วมันมันลูกอริยสัจเป็นไปได้ยังไงนะครับก็เอาคำสอนอย่างอื่นๆมาตรวจสอบดูว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยถูกต้องขนาดไหนนะครับอคือมันจำอะไรไม่ได้ไหมอาจารย์ก็แล้วก็มามาในลักษณะว่าว่างปล่อยวางไม่เอาไม่สนใจไม่ใส่ใจละสักอย่างละอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออสบายแล้วอะไรเงี้ยก็ที่ที่ผมพูดเนี่ยนะคือ ที่อาจารย์พูดได้เป็นเป็นยืดยาวสาวได้วิจัยได้ไปหมดนั่นเป็นเพราะว่าอาจารย์ต้องจํามาก่อนใช่ไหมครับศึกษาและจําแล้วเอามาวิเคราะห์วิจัยให้จําแนกแจกแจงไปจนรู้ประจากตอมความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสตินี่มีสัญญาเป็นเหตุใกล้นะครับความจําได้ที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ของของสติเนี่ยนะครับ พันลักษณะของผู้ที่มีสติโดยเฉพาะพระนานนเนีย่ยเป็นเอกถ akah ในด้านมีสตินะครับพันพระนานนเนีย่ยทรงจํำมาเยอะนะครับแต่ความคำว่าทรงจําในที่นี้ไม่ได้เป็นชื่อของสัญญานะครับสังเกตดูนะสวดปริวาสนี่ไหมอับับบางอย่างข้าพเจ้าจําได้อบับดับบางอย่างข้าพเจ้าจําไม่ได้ทําไมไม่ใช้คําว่าสัญญานะครับอับับบางอย่างสัญชานาติบางอย่างณสัญชานาติไม่ใช่นะครับใช้คําว่าสติเลย ใช้คําว่าระลึกซึ่งเป็นอัตตาอันเดียวกันกับสตินั่นเองไม่ใช่คําว่าเอกระจังสัญชานาติเอกระจังณสัญชานาตินะบัตรบางอย่างข้าพเจ้าจําได้บัตรบางอย่างข้าพเจ้าจำไม่ได้ไม่ใช้ศัพท์นี้นะครับแต่ใช้คําว่าเอกัะจังณสรติเอกระจังนะสารตินะเอกระจังสรติเอกระจังณสรติบางอย่างระลึกได้บางอย่างระลึกไม่ได้ขณะในศีลนี่ก็ไม่ได้ใช้คําว่าสัญญานะหรือสัญชานาติอะไรไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าสรตินะครับซึ่งอัตตาอันเดียวกันกับสตินั่นเอง ขอโอกาสครับั้นขอให้ขอให้อลองเทียบเคียงด้วยว่าวิเคราะห์อัรฐะของสติกับสัญญาที่ว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะได้เข้าใจในส่วนนี้สัญญาโดยทั่วๆไปนะครับเท่าที่สังเกตการทธิบายสัญญาที่เป็นไปกับธรรมะเป็นเครื่องเนื่นช้านะเรียกว่าปปันจะสัญญาคือถ้าลักษณะของสัญญาเป็นหลักนะครับเช่น จำในสีว่างามเนี่ยนะครับจำสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยโอ้โหงามจังเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะโอ้โหคิ้วก็งามผิ ว, วก็งามอะไรก็งามไปหมดเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าสัญญานะครับเน้นสัญญาเป็นหลักเพราะสัญญาจะขยายในลักษณะว่าจำในสีขาวสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปกับวิ ป, ปลาสว่างามเป็นต้นนั่นเองนะครับเออขอกอนุญอย่างเช่นว่าลักษณะของสัญญาคือ จำว่าคิ้วไม่ใช่ผมผมไม่ใช่คิ้วคิ้วไม่ใช่หนวดหนวดไม่ใช่คิ <c oughs> ้วคือโดยที่อธิบายท่านไม่ค่อยอธิบายแบบอย่างที่ว่านี่นะครับพระพุทธพเจ้าอธิบายว่าจําำมาในสีขาวสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะแล้วก็ไอ้สัญญาเนี่ยพระองค์ก็จะขยายไปในลักษณะของปปันเจธรรมเส้นสัญญาวิปลาสเนี่ยจำว่างามเป็นต้นนะครับจําว่างามขาวสวยอะไรก็ว่าไปคือ <c oughs> ลักษณะนั้นนะครับถ้าเรายังไม่ใช้คำว่าวิปลาสเนี่ย เรากำลังจะพูดถึงสัญญาขันนี่นอาก็สัญญาขันนั่นแหละครับเขเรียก <cautious. S 2> สัญญาวิปลาสคือวิปลาสเนี่ยนะสภาวะที่วิปลาสมีสามอย่างสัญญาหนึ่งจิตหนึ่งทิฏฐิหนึ่งนะครับอันในตัวสัญญาวิปลาสนั่นแหะก็สัญญาขันในองค์ธรรมอันเดียวกันก็ <c iman> แต่สัญญาอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นไปร่วมกับคือถ้าใช้คําว่าสัญญาโดยทั่วๆไปนะคือเป็นไปร่วมกับอกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลพระองค์ใช้คําว่าสติโดยทั่วๆไปนะ ในสายกุศลเนี่ยไม่ใช้คำว่าสัญญาเช่นพระธรรมกรถึกหรือธรรมทรธรรมทรนะผู้ทรงพระวินัยเนี่ยนะไม่ได้ใช้ว่าผู้องค์นี้นะสัญญาวินัยนะไม่ไม่มีนะครับมีแต่ธรรมทรผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินัยนะครับจะไม่ใช้คำว่าสัญญาสัญญานี้โดยทั่วๆไปเท่าที่สังเกตแล้วใช้เป็นไปกับอากุศลนะครับถ้าถ้าพบในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่นะในพระสูตรนะ คือถ้าเราเอาเฉพาะในอภิธรรมตสังกะหะมาเราก็จะคิดว่าใช่สัญญาเป็นอัญญาสมนาเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับภูศลอกุศลนั่นคือถ้อยคําที่ที่เราเรียนมาตามอภิธรรมตสังกะหะแต่ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรด้วยเพราะฉะนั้นพระสูตรเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องตรวจสอบนะครับว่าการใช้สับแสงธรรมะเป็นต้นเนี่ยนะครับตามแนวอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไหม นะครับเอางี้นะว่าพระหูสูตรเนี่ยนะครับเป็นรั์ใช่ไหมครับแต่ถ้าสัญญาเนี่ยโดยทั่วๆไปคนรังเกียจใช่ใช่แต่คนที่ทรงจำพระธรรมได้มากๆถ้าตามคำพีเนี่ยเป็นอริยรัย์นะครับเป็นองคุณอย่างหนึ่งของผู้มีจรณะนะครับในจรณะสิบ้านะในความประพฤตททิดีงามนะครับเออขอถามตรงนี้นิด น, นอย่างสัญญาสิบประการเนี่ยเขาก็ใช้ว่าสัญญาเหมือนกัน ก็จะเป็นไปกับขงศรนครับแต่สัญญานั้นบางศัพท์เนี่ยเป็นชื่อของปัญญานะครับเป็นชื่อของปัญญาซะส่วนใหญ่นะครับหรืออสุภาษสัญญาก็ใช้นะครับอสุภาษสัญญาก็ใช้แต่นั้นเป็นไปกับสมถะนะครับหรือแม้กระทั่งสัญญาอันเป็นนิเพธภาคีเนี่ยนะครับสัญญาเป็นเครื่องจำํำลักขีเรศเนี่ยพวกนี้อธิบายปัญญาทั้งนั้นเลยนะครับคือเป็นไปกับปัญญานะครับอันนะ อันคำว่าสัญญานี้เป็นศัพท์ที่ที่เรียกว่าอัญญสัมนาหมายความว่ามันเข้าตับทั้งฝ่ายดีแล้วก็ได้ทั้งฝ่ายไม่ดีก็ได้แต่ถ้าสัญญาโดยทั่วๆไปธรรมดาธรรมดานี่นะอย่างที่เขาพูดพูดกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอกุศลครับแต่นะแต่ถ้าสัญญาแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับสัญญาทั่วๆไปที่เราอ่านเนี่ยนะเช่นสัญญา10สัญญา6สัญญาเที่พระองค์สอนให้เจริญสัญญาอันนี้โดยทั่วๆไปเป็นชื่ออีกหนึ่งของปัญญานะครับเป็นอัถะ อันหนึ่งของปัญญาเช่นอนิจจสัญญาก็คืออนิจจานุปัสนาขอการครับไ ด, ได้อย่างเช่นว่าพูดถึงขันห้าเนี่ยสัญญาในขันห้าเราควรจะใช้สัญญาในขันห้าในแบบไหนมีคำอธิบายยังไงสัญญาในขันห้าโดยทั่วไปก็ถ้าวิเคราะห์โดยวิปัสสนาชั้นสูงก็ต้องทั้งสายดีและไม่ดีนะครับแต่ทั่วไปนี้พระองค์จะแสดงว่าสัญญาขันอุปมาเหมือนอะไรครับ พยับแดดแสดงว่ามันหลอกลวงนะครับคืออธิบายในแง่งไม่ดีซะส่วนใหญ่เช่นนะครับว่าสัญญาขันเหมือนพยับแดดหลอกในสิ่งที่ไม่ใช่น้ําว่าน้ำชั้นใดก็ดีคนที่มีสัญญาวิปลาสก็จะหลอกในสิ่งที่ไม่งามว่าว่างงามเป็นต้นเนี่ยนะครับเช่นเห็นผิวหนังว่างามอย่างเงี้ยถ้าโดยปกติธรรมชาติของผิวหนังว่างามไหมล่ะเชื่อก็ลอกมาดูติอันที่จริงแล้วไม่ได้มีความงามแต่ว่าสัญญาวิปลาสอันนั้นอ่ะมันทําสําคัญหมายว่า ว่า ง, งามเราถามว่าอันนี้จะต้องแก้ยังไงครับต้องแก้ด้วยการเจริญอสุภาษสัญญาว่า ง, งั้นเถอะให้มีอีกสัญญาอันหนึ่งมาลบเลือนไอ้สัญญาชนิดนี้ออกไปแต่สัญญาอันใหม่เนี่ยเป็นไปกับสมะถะกรรมฐานนะครับอย่างเนี้ครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนี่ว่าจีวรหนึ่งจีวรเ น, นี่ยจีวรมันก็มันมันเป็นมันเป็นจีวรแต่ว่าถ้าหากว่าเห็นทางตามันก็เป็นสี ถ้าโดยว่าสีก็คือจีวรเนี่ยถ้าเห็นถ้าว่าโดยปรมัตถเนี่ยเห็นทั้งตาก็เป็นสีถ้าสัมผัสก็เป็นเป็นเป็นธาตุอะไรปฐวีธาตุอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วอย่างนี้ก็เป็นการที่เห็นเห็นสีเป็นจีวรเรื่องนี้ก็เป็นสัญญาเหมือนกันนี้งคือสัญญามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงก็แน่นสิเพราะว่าคําว่าจีวรเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เนี่ยนะรู้ว่าเป็นจีวรเนี่ยนะ เราต้องดูว่าใครเป็นคนพูดนะครับคําคําเดียวกันเนี่ยนะบางคนนี่พูดด้วยอํานาจปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าพูดถึงจีวรใช่ไหมครับแต่พระพุทธเจ้านี่เล็งถึงจีวรด้วยอํานาจปัญญานะครับคำศัพท์เดียวกันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจิตชนิดไหนว่าจิตชนิดไหนเป็นผู้รับรู้จีวรแต่ว่าในจิตทุกดวงนี่ก็มีสัญญาเกิดร่วมด้วยหมดนะครับในชั้นต้นนะครับถ้าจะวิเคราะห์แบบอย่างเทใจาร์ เริ่มเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องสงเคราะห์ว่าจีวอนเนี่ยนะโดยทานศีลภาวนาก่อนนะครับถ้าจะเอาแบบหยาบๆเลยนะเพื่อที่จะวิเคราะห์ให้รู้ว่าเป็นไปกับผุศลนยังไงเนี่ยนะเช่นจีวอนเนี่ยนะครับไอ้ผ้าผืนเนี่ยถ้าโดยพระสูตรสุตตันตนายเขาเรียกว่าผ้าเช่นให้ข้าวให้ผ้าให้นวดนานพาหานาะดอกไม้ของหอมนี่เขาเรียกว่าผ้าผู้ที่ทานนักกุศลคือคิดจะให้ผ้าเป็นทานอันนี้คือเรียกว่าโดยสุตตันตนายโดยพระสูตร ถ้าหากว่าพูดโดยพระวินัยคเครียกว่าจีวณในบรรดาปัจใจสี่ถ้าพูดโดยพระอภิธรรมเนี่ยนะครับมีสภาวะประมัสตร์อยู่หลายอย่างเพราะว่าจีวณนั้นอ่ะโดยรูปแล้วมีวินิโพค ร, รูปแปดอวินิโพค ร, รูปแปดนั้นประกอบไปด้วยมหาภูตรูปสี่นะครับแล้วกสส็สีเนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยมหาภูตรูปกลิ่นก็อาศัยมหาภูตรสก็อาศัยมหาภูตโอชาก็อาศัยมหาภูตนั้นเรียกว่าพูดโดยประมาสตรนะครับ ทีนี้ในพูดโดยพระสูตรพระวินยัยภาคพิธรรมก็ตามเจตนาที่คิดให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมีกรรมมศกตาเป็นเบื้องหน้าเป็นต้นเรียกว่าทานกุศลทานนกุศลทีนี้ถ้าศีลและกุศลก็เอาจตุปาริสุทิศิน ล, ลงมาสงเคราะห์นะครับสงเคราะห์โดยจตุปาริสุทิศิลในจีโวโรเนี่ยนะ จีวอเป็นปาติโมกสังบอนได้ไหมเป็นอินทรียสังโณได้ไหมเป็นปัจยาศันนิสิตาศินได้ไหมเป็นอาชีวะปาริสุทิศีลได้ไหมอันนี้โดยศีล น, นะครับโดยศีลถ้าโดยวิปัสสนาก็สงเคราะห์สิจีวอนเนี่ยโดยขันโดยธาตุโดยอายตนะโดยสัจจะเป็นต้นนะครับก็ต้องเอาอันนี้มาวิเคราะห์โดยขันทีนี้คําว่าขันเนี่ยก็เพื่อเป็นเครื่องจําแนกอย่างอื่นอีกนะครับ เพราะคำว่าขันเนี่ยเป็นกองนะครับขยายถึงกองกอง ท, งทั้งที่เป็นอดีตกองที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันที่เป็นภายในภายนอกเป็นต้นก็ต้องมาวิเคราะห์เหล่านั้นนั้นอีกนะครับพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็ใครครวญโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นต่อไปอันนั้นเป็นลักษณะของของปัญญาหรือหรือเรียกว่าภาวนาทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์มองออกอย่างตลอดสายเลยนะครับทั้งโดยทานศีลและภาวนา หรือโดยศีลสมาธิและปัญญานะครับในในเมื่อมีจิวรเป็นอารมณ์นะต้องสงเคราะห์อันนี้ให้ได้ถ้าสงเคราะห์ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็ก็ยากเหมือนกันเพราะอะไรครับผมจึงกล่าวอย่างนี้เพราะว่าเราเรียนอภิธรรมมัตะสังกะหะเนี่ยนะครับเราไม่เคยอ่านโดยทั่วไปนะไม่อ่านอภิธรรมปิดกเลยเมื่อไม่อ่านอภิธรรมปิดกเนี่ยนะครับอภิธรรมปิดกนั้นพระผู้มีพระภาคเรียงกุศลขึ้นก่อนนะ ถ้าอภิธรรมมัทสังกหาเรียงอกุศลขึ้นก่อนนะนะด้วยเหตุผลคนละประการกันแต่ในอภิธรรมปิดกเนี่ยนะครับเรียงกุศลขึ้นมาก่อนเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงใช่ไหมว่ากามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะใช่ไหมกามาวจรังกุสลังจิตต่างอุปนังโหเทเนี่ยนะครับกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะกามาวจรกุศลจิตเนี่ยนะครับประกอบด้วยปัญญา เป็นโสมนัสนะเป็นโสมนัสประกอบด้วยปัญญามีสีเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นมีรสมีโผฏภะมีธรรมะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีนามธรรมเกิดขึ้นในสมัยนั้นเช่นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ว่ า, ากุศลจิตที่มีจีวรหรือว่ามีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับต้องสงเคราะห์เป็นไปกับทานศีลและภาวนาเมื่อมีสีเป็นอารมณ์นะ ชั้นต้นเลยต้องสงเคราะห์ลงทานศีลและภาวนาให้ได้ก่อนแต่ว่ามาในยุคหลังเนี่ยพรวดเข้าไปที่เรียกว่าสติปัฏฐานเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเรียนตามอภิธรรมปิฎกแล้วนะตามอัตถกาถาชื่อว่าอัฏฐสารีนีแล้วจะขยายว่าให้มันสงเคราะห์ลงโดยทานศีลและภาวนาก่อนจะต้องเป็นไปตามลําดับนะครับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วก็เป็นประมัดอะไรไปเลยไม่ใช่นะครับจะขึ้นต้นสงเคราะห์เป็นไปกับทานศีลและ ภาวนานะครับทีนี้เมื่อมีจีวรเป็นเป็นมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะคือสีเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาได้อย่างไรแล้วในทานศีลภาวนาก็ยังมาส่งเพราะเป็นกายกรรมได้ไหมเป็นวัจีกรรมได้ไหมเป็นมโนกรรมได้ไหมทานเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมภาวนาเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเขาวิเคราะห์หมดเลยนะครับ แต่ทีนี้เนื่องจากเราเรียนอภิธรรมมัทสังกะหะอย่างเดียวไม่เลยไปเรียนถึงอภิธรรมปิฎกก็ก็ทําให้เราเข้าใจเป็นอื่นไปได้นะครับทีนี้ก็แล้วก็เรียนอภิธรรมมัทสังกะหะเราก็ไม่ได้ค้นด้วยวัดีกาท่านอาธิบายยังไงนะครับหรือข้อปฏิบัติตามที่เรวสติประธานตามอาภิธรรมแม้กระทั่งตามอาภิธรรมมัทสังกะหะอยู่ในประเฉด9นะครับท่านก็ไม่ได้ไม่ได้สอนข้อปฏิบัติแบบที่ผมได้ยินกันซะส่วนใหญ่นะ ที่ผมได้ยินกับข้อปฏิบัติในอภิธรรมมัสังฆะคนลังงานกันเลยครับโดยทั่วๆไปนะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็มีวิธีหนึ่งก็คือพยายามอ่านอภิธรรมมัสังหะแท้ๆนะครับอ่านแล้วทรงจําให้ได้แล้วก็ค่อยคิดตามนั้นน่ะเอาพยัญชนะในอภิธรรมสังฆะทุกปริเชตมาไขควรดูนะครับตั้งแต่ปริเชตหนึ่งถึงปริเชตเก้าต้องหมั่นทบทวนแบบนั้นนะครับถ้าไม่หมั่นทบทวนแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยินดีใน อ่าเรียกว่าข้อปฏิบัติอะไรที่ไม่ต้องยากนะนะเหมือนกับไปร้านอาหารเราก็อยากให้เขาปรุงสําเร็จรูปมาให้เรากินเลยมันง่ายดีนะครับแต่ว่าบีโทษไม่มีโทษถูกรถหรือว่าอะไรเราก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจสักอย่างเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้แหละครับถ้าถ้าหนักๆเข้าไปนานๆเข้าเราก็เสื่อมจากพระปริยัติธรรมโดยไม่รู้ตัวนะครับหนักๆเข้าเราก็ห่างเหินจากพระปริยัติธรรมมากขึ้นมากขึ้น เวลานานๆเข้าเราจะไม่อ้างภาพปริยัติธรรมนะครับเราจะอ้างใครที่ไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งปริยัติธรรมนี่เป็นสารณะนะนานๆเข้าจะไม่ค่อยอ้างภาพปริยัติธรรมซึ่งเป็นสารณะของเราเลยนะครับที่พระองค์ฝากฟังไว้ในฐานะเป็นศาสดาใช่ไหมครับนานๆเข้าเราก็อ้างใครก็ไม่รู้ครับไอ้คาว่าไม่รู้เนี่ยหมายความว่าอ้างกันหลากหลายนั่นเองนะครับไอสเตเนี่ยมันเราอ่านที่เขาแสดงความหมายหรือลักษณะของมันเนี่ยนะ มันเหมือนกับมีสัมปชัญญะอยู่ร่วมด้วยหรือไงครับท่าอาจารย์ที่เขาบอกว่ามันจะรู้ถึงว่าอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็เขาก็จะตักเตือนให้เลือกรับเอาสิ่งที่เป็นกุศลอะไรเงี้ยอาจารย์ครับ<ๆ>ก็โดยทั่วๆไปแล้วก็จะอธิบายแบบนั้น<อ>คือเกิดควบคู่กับปัญญาอนะครับเกิดควบคู่นะเพราะธรรมะสองอย่างเรียกว่าผู้ปการ ะ, ะทำทำที่มีอุปการะมากได้แก่สติและ สัมปชัญญะหรือปัญญานั่นเองฉะนั้นธรรมะพวกนี้จะเกิดคู่กันฉะนั้นอ่านที่ไหนนะครับในพระสูตรนะลองอ่านไปเรื่อยๆถ้าเจอที่ไหนมีสติโดดๆไม่มีคําว่านิปปกะหรือไม่มีคําว่าสัมปชัญญะคู่อยู่เลยนะอัตถกาถาจะที่บายว่ามีสัมปชัญญะที่บายคู่ไปเลยนะครับพวกนี้จะที่บายคู่กันซะส่วนใหญ่เหมือนกับคําว่าฮีเรและโอตาปะนะครับเป็นของคู่ๆกันนะแต่สัญญาเนี่ยผมผมก็ว่า สัญญาก็คือจำเฉยๆมันจะจำดีจำไม่ดีจำอะไรกันนั่นก็แล้วแต่นั่นอีกทีนะครับแต่ว่าสัญญาก็ทาหน้าที่ก็คงจำอย่างเดียวมั้ครับสัญญาเท่าที่พบในพุทธพจน์ทั่วไปในพระสูตรเช่นนะครับในท่านใช้คําว่ามัญญะมันญติเป็นต้นเนี่ยนะหรือเป็นสัญญาเนี่ยนะเช่นในมูลปริยายสูตรเนี่ยนะครับก็ไปดูนีนั่นแหละคือปปัญจะสัญญานะครับปปัญจะสัญญาเนี่ยนะหรือกามสัญญาเป็นต้นนะครับจะอธิบายไม่ค่อยดีนะครับ สัญญาทั่วๆไปที่พบเช่นการมสัญญาพยาปาธาสัญญาวิหิงสาสัญญาหรือว่าสัญญาเครื่องเนินชาได้แก่ตันหามานะและทิฏฐิเพราะว่าตันหามานะและทิฏฐินั้นมีสัญญาเป็นเป็นเหตุใกล้และสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะครับอันเท่าที่พบจะอธิบายในลักษณะนี้ซะส่วนใหญ่นะครับคือไม่ไม่ค่อยอธิบายแบบที่เราคุยกันนะนะ